เมื่อคนตกอยู่ใต้อวิชชาไม่ใช้ความรู้อยู่ด้วยความรู้สึกก็ปล่อยให้ตันหาพาไปและพึ่งตันหาพาให้ทําอะไรอะไรแต่พอปัญญาพัฒนาขึ้นมาฉันทะได้โอกาสพร้อมทั้งมีกําลังมากขึ้นก็เข้ามานําการกระทําของคนไอ้ไม่ต้องมืนมัวมั่วหมกอยู่ใต้โมหะและตันหาแต่ก้าวขึ้นมาสู่การมีชีวิตที่ดําเนินไปด้วยปัญญาโดยมีฉันท่าสนองงาน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 เมื่อเกิดปัญญารู้เข้าใจมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายลึกซึ้งกว้างขวางออกไปก็ดีมองเห็นภาวะดีงามและคุณค่าของสิ่งทั้งหลายนั้นๆก็ดีถ้าไม่ปล่อยให้ตัณหาแทรกเข้ามาชิงตัดหน้ารับช่วงไปเสก่อนก็ยอมจะต้องเกิดมีฉันทะารู้สึกซาบซึ้งมีใจโน้มน้อมไปหาคุณค่าและภาวะดีงามพร้อมทั้งอยางให้สิ่งนั้นๆดำรงอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมัน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 ความปรารถนาดีอยากให้สัตบุคคลอื่นดำรงอยู่ในภาวะดีงามประสบประโยชน์สุขบรรลุอุดมสภาวะของเขาคือความปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีอะไรบีบคั้นกายใจอย่างไรก็ตามความต้องการของชันทะต่อสัตบุคคลคือการที่อยากให้เขาอยู่ในภาวะดีงามสมบูรณ์นั้นมิใช่แสดงออกมาเป็นเมตตายอย่างเดียว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 คิดช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์ต่อไปเป็นสถานการณ์ที่สามคือยามที่ผู้อื่นนั้นขึ้นสูงกว่าเดิมที่เป็นปกติอย่างที่เรียกว่าได้ดีมีสุขเช่นเรียนจบได้งานหายป่วยเลิกกินเหล้าอันมาทำความดีราวนี้ฉันทะที่อยากให้เขาดีงามสมบูรณ์ก็ให้สมใจ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 ที่เขาจะอยู่หรือดำเนินไปในภาวะนั้นเราไม่ควรยุ่งด้วยเช่นในกระบวนการยุติธรรมและในการฝึกคนดังที่พ่อแม่รักอยากให้ลูกเจริญงอกงามดูแลลูกเล็กที่กำลังหัดเดินต่อแต่ก็วางทีเฉยดูอยู่ใกล้ๆกให้เขาหัดเดินไปโดยพร้อมที่จะแก้ไขถ้ามีอะไรพลาดพลัง้งแต่ไม่ใช่มัวสงสารกลัวจะล้มจะเจ็บ และคอยอุ้มอยู่เรื่อยการวางทีเฉยดูโดยรู้เข้าใจไม่เข้าไปวุ่นวายก้าวกก่แทรกแซงนี้เรียกว่าอุเบกขาธรรมะสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้นิยมเรียกชื่อรวมชุดว่าพรหมวิหารสี่หมายถึงธรรมะประจำใจอันประเสริฐ คำพีอัฏฐาสาลินีอัฏฐกถาแห่งสังคณีท่านแสดงหลักไว้ว่าธรรมะทั้งสีน่นี้มีฉันทะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นที่ตั้งต้นอาจจะสงสัยว่าอุเบกขานี้มีฉันทะมีความปรารถนาดีอย่างไรนี่แหละคือยอดความปรารถนาดีที่ต้องมีต้องใช้ปัญญาแท้จริงคือต้องการความไม่ผิดพลาดแก่เขา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 โอกาสของอวิชาตันหาเสียปัญญาบริสุทธิ์ก็เข้ามาเปิดช่องทางให้การุณาเล่นผ่านออกไปได้ภาวะจิตที่ประกอบด้วยการุณาก็เกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นแต่สำหรับพระอาหารหันต์ผู้สิ้นอวิชชาตันหาไม่มีความพะวงคิดติดในการแสวงหาสิ่งเสพสวยเวทนาหรือความห่วงกังวลเกี่ยวกับตัวตนปัญญาบริสุทธิ์ ย่อมพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะให้ฉันทะเผยแสดงกรุณาออกมาไม่ว่าในเวลาใดก็ตามที่ประสบอารมณ์คือสัตบุคคลผู้ตกทุกข์ติดอยู่ในพันธนาการโดยในยานี้ความสิ้นวิชาตันหาอุปาทานแล้วจึงเป็นเพียงเครื่องชำระให้การกระทาของพระอระหันต์เป็นไปโดยบริสุทธิ์หลอดภัยไร้โทษราศจากกิเลส เช่นความกลัวและความเกียรติร้านที่จะเหนียวรั้งส่วนพลังกำกับและนำการกระทำของท่านก็คือปัญญาและกาุณาการเคลื่อนไหวและการกระทำของมหาบุรุษพิสุทชนคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อได้ปัญญาเปิดช่องและส่องนำทางโดยมีกาุณาเป็นแรงส่งมุ่งสู่เป้าหมาย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 พลังกำกับแนะนำการกระทำของท่านก็คือปัญญาและการุณาพุทธคุณโดยสรุปท่านถือกันมาเป็นหลักว่ามีสองอย่างคือ 1. ปัญญาซึ่งให้สำเร็จพุทธภาวะความเป็นอัตนาถะและอัตตาหิตตาสมบัติเป็นต้นและ 2. การุณาซึ่งให้สำเร็จพุทธกิจความเป็นโลกนธาและประหิตตาปฏิบัติเป็นต้น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 แสดงไว้ว่าพุทธกิจมีสองอย่างคือญาณกิจและกรุณากิจแปล ง, ง่ายๆว่างานที่ทรงทํำด้วยพระญาณและงานที่ทรงทําด้วยพระกรุณาปัญญาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายหล่อจากอาหางการมะมังการและกรุณาก็ปราศจากสเสนหาและความโศก ส่วนมนุษย์ปุถุชนมีการุณาก็ยังเป็นการุณาเทียมคือยังมีสเสน่หาเป็นความรักผูกพันเยื่อใหญ่ติดในบุคคลมีโศกยามสงสารใครก็ยังมีจิตใจเหี่ยวแห้งมองเศร้าไม่โปร่งพองใสอันหนึ่งเมื่อพระพุทธศาสนาแยกออกเป็นสองนิกายแล้วก็ถือกันว่าฝ่ายเทรวาด เน้นด้านปัญญามหายานเน้นด้านการุณาสำหรับคำที่ว่าเมื่อได้ปัญญาเปิดช่องและส่องนำทางโดยมีการุณาเป็นแรงส่งมุ่งสู่เป้าหมายนั้นในอัรกถามีคำเทียบความนี้เช่นการุณาเวคาสมุสสาหิตะมานาัสะแปลเอาความว่าพระพุทธเจ้า ทรงมีพระหรทัยอุตสาหะขึ้นด้วยกำลังแห่งการุณาจึงทรงแสดงธรรมและพึงอ้างพระบาลีแสดงความปรารพเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเริ่มประกาศพระศาสนาว่าสัตเตสูจาการุญยตังปฏิจจะความว่าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยพระการุญยภาพจึงทรงพิจารณาดูชาวโลก